ก็อย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกันนิมิตไม่ใช่เป็นเหมือนกันทุกคนปีติก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนปจัจธติก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนบางคนก็เลืองปัญญาเข้าไปเลยไม่ต้องผ่านนิมิตอะไรต่างๆรู้เข้าไปเลยไม่ต้องไปคล้องแว้อะไรอย่าเอ้ยเราไม่ทำไมไม่เป็นเหมือนท่านบางทีอยากให้เป็นบางทีไม่ต้องเราไปเลยมีสติสัญญะ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 ถ้าเราไปเป็นผู้รู้ก็หุ่มไปในใจในความรู้ที่เราเห็นเราพบเห็นนั้นามากเข้าไม่มีสติเผลนไปกับความรู้มันก็กลายเป็นวิปัจโนเสียเวลาไปบางทีก็บางคนก็อดไม่ได้ไปสแสดงมันไม่เยงิงความรู้ที่เป็นวิปจโนมันหมดเป็นเมื่อมันหมดเราตั้งตั้งต้นใหม่บางคนก็เสียใจ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 มันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปก่อนปราบไปก่อนปราบอันใดที่ไม่ใช่สตินั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาปราบไปก่อนเหมือนใบมีดของรถแทกเตอร์ที่มันปลานเตดไปบนผืนดินมันปราบไปก่อนมันไปค่อยเป็นทางไปสติปานไปตรงไหนมันก็เป็นทางไปตรงนั้นนี่คือการปฏิบัตินั้นมีอะไรล่ะอันที่มันต้องปราบมันคือความหลงนี่แหละ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 อะไรก็ตื่นนอยเกินไปเคยเป็นเหมือนกันนั่งอยู่เวลาพระตีระครังไปฉันเน่ยทั้งทั้งทีตงตง่ตาเห็นอยู่ก็ตื่นตกใจตึ๊บส่นนี้อาวมันอะไรยมาเป็นนยอะไรอะไรอะไ ร, ะ ไ, รไปถามแตงเก็ไม่ใช่คาถามก็าทำในใจมีความรู้จ่กตัวมันระวังเกินไปมัน ก, ก็ก็ตื่นง่ายก็เลยเป็นคนว่องไปจะเหมือนวัวที่มันม้าที่มันพยศ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 ที่หลวงพ่อหลวงตาพูดนี่ก็ได้ข้อมูลอย่างนี้มาไม่ใช่อยู่ๆจะมาพูดเลยข้อมูลเกี่ยวกันปฏิบัติเนี่ยพอที่จะรู้อย่างทุกๆุกอย่างในความผิดความถูกเวลาผู้ปฏิบัติทำจึงเป็นสาคลุลเป็นสูตรของการปฏิบัติโดยเฉพาะสูตรของเจริญสติปัฏฐานจีเนี่ยเดินสูตรที่สมมูลสมควรที่สุดลอยเราจึงต้องฟังดูก่อน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 มีตัวลูกตัวเดียวไปเลยเราจะงานสบายมากให้มันผ่านได้สามารถผลได้ผ่านเหนือการเกิดเจริญตายมัต้องเรียบตรงเนี่ยตั้งแต่ต้นนี้ยไปคือรููไปลูกไ ป, ล, กไปลูกแล้วไม่เป็นไม่ให้คน่าอะไรมันลูกก็ไม่คุณค่าความรู้มันไม่ลูกก็ไม่คุณค่าความ่รู้มันสุขก็ไม่คุณค่าความสุขหลวงพ่อจะพูดมันอยู่เรื่องเดิมแหละ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 เขจะอยู่เย็นเป็นจุกทุกทุ่นน้าทุกคนนาะ